ปิยมหาราชคือวันที่23ตุลาตรงกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางราชการก็เลยมีวันหยุดเฉยให้อีกหนึ่งวันจึงเป็นวันที่ญาติโยมได้มีเวลาเพิ่มเติมที่จะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญนี้เป็นเรื่องที่จำเป็น เป็นเรื่องที่สำคัญแก่ความสุขของชีวิตของพวกเราถ้าใจเราไม่มีบุญเราจะไม่มีความสุขกันไม่มีที่พึ่งกันถ้าใจเรามีบุญใจของเราจะมีที่พึ่งเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งใจก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งของร่างกายคืออะไรก็คืออาหารเครื่องนุ่มโฮม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลาบากและอาจจะต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรใจของพวกเราก็ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่หงห่มต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคเหมือนร่างกายเพียงแต่ว่า อาหารของใจนี้ไม่เหมือนกับอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายพวกเราก็กินกันทุกวันก็ไม่ต้องอธิบายว่าเป็นอย่างไรแต่อาหารของใจนี้พวกเราไม่ค่อยได้กินกันนานๆจะกินสักครั้งหนึ่งก็คือการมาทำบุญนี่เองการทำบุญทำทานการแบ่งปันการเสียสละ ข้าวของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นคนธรรมดากาลวาดญาติโยมหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขแมวนกต่างๆปลาต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการให้อาหารแก่ใจการใช้เงินทองเพื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่น จะนำความสุขกลับมาสู่ผู้ให้นี่คือวิธีสร้างความสุขสร้างความอิ่มใจให้กับใจของเราถ้าเราเอาเงินทองไปใช้ในทางอื่นที่ไม่ควรจะใช้คือเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆอยากซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ถ้าใช้เงินแบบนี้เหมือนเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเพราะซื้อแล้วจะติดจะอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆจะอยากไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรชอบก็อยากจะซื้อทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อแต่เห็นแล้วอดไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินทองไปในทางที่ผิดไม่ทําให้ใจของเราอิ่มใจของเราสด แต่กลับทำให้ใจของเราทุกข์เพราะใจของเราจะหิวจะอยากถ้าได้ไปเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกถ้าได้ไปซื้อของแล้วก็อยากจะไปซื้ออีกทั้งๆที่ไม่มีความจนเป็นที่จะต้องซื้อของต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินไปในทางที่ผิดที่เราไม่ควรใช้กัน ก็จะทำให้ใจเราหิวเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดมันจะต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแต่ใช้เท่าไหร่ความสุขที่ได้จากการใช้เงินมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนที่ติดยาเสพยาเสพติดพอเสพไปปั๊บความสุขที่ได้จากการเสพยาก็จะหายไปแล้วก็จะมีความอยากจะเสพยาขึ้นมาใหม่ แล้วถ้าไม่ได้เสกก็จะทุกข์ทรมานใจคนที่ใช้เงินใช้ทองไปซื้อของที่ไม่จำเป็นไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนติดยาเสพติดจะต้องไปซื้ออยู่เรื่อยๆจะต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่มีเงินซื้อก็จะทุกข์ทรมานใจ แต่คนที่เอาเงินมาซื้ออาหารให้กับใจด้วยการเอาเงินทองนี้ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเ <_ d> um> ช่นไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าเจนพระจะเป็นพระหรือเป็นโยมพระก็ต้องสงเคราะห์เพราะพระท่านก็อดอยาขาดแคลนถ้าญาติโยมไม่มาทาบุญพระก็จะอดตายได้ ญาติโยมเลยมาทำบุญเอาอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมาถวายพระนอกจากพระแล้วเราก็สามารถทำกับผู้อื่นได้ได้บุญได้อาหารได้ความสุขเหมือนกันทำบุญกับพ่อแม่ที่บ้านก็เหมือนได้ทำบุญกับพออาระอรหันทําบุญกับญาติสนิทมิสหายก็ได้ทำบุญกับสามีภรรยากับบุตรธิดาก็ได้ ทำบุญกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอันนี้ทําแล้วจะทําให้เราอิ่มใจสุขใจได้รับประทานอาหารแล้วจะทําให้เราไม่รู้สึกอยากจะไปเที่ยวเพราะเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขแบบนั้นเพราะเราได้ความสุขได้ความอิ่มใจที่เกิดจากการทําบุญทําทาน แล้วจะทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายกับการต้องดิ้นรนหาเงินอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเงินทองจะมีเหลือใช้เพราะเราจะไม่ได้ใช้เงินไปในตามความอยากถ้าใช้เงินตามความอยากแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่ไ ม, ไม่พอใช้เพราะมันอยากจะซื้อของที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆมีล้านก็อยากจะซื้อรถราคาล้าน พอมีสิบล้านก็อยากจะซื้อรถราคาสิบล้านมันจะอยากไปไม่มีวันสิ้นสุดมีเท่าไหร่ก็จะรู้สึกไม่พอใช้อย่างพวกเราสมัยเด็กๆ เ, เราใช้กันวันละเท่าไหร่ทำไมเราอยู่กันได้พอตอนนี้มีเงินเดือนมีรายได้มากกว่าสมัยที่เป็นเด็กๆอยู่ต้องหลายเท่าแต่ทำไมยังไม่พอใช้ก็เพราะว่ามีมากก็เลยใช้มากกัน ถ้าให้มีมากกว่านี้อีกสิบเท่าก็รับรองว่าจะใช่มากกว่านี้อีกสิบเท่าเพราะนี่คือธรรมชาติของความอยากมันจะไม่ทําให้เราพอมันจะทําให้เราอยากไปเรื่อยๆความอยากนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีฝั่งมีขอบ แต่ความอยากนี้ไม่มีฝั่งไม่มีขอบถ้าลองไปทำตามความอยากแล้วมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆมันจะอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่เราเป็นเด็กๆเราใช้เวลาไม่กี่บาทเราก็มีความสุขได้พอเราโตขึ้นมาหน่อยมีรายได้ของเราเองเราก็จะใช้มากขึ้นไปแล้วมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็จะใช้มากขึ้นไปแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องดิ้นรนหาเงินหาทอง มาอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันสุขนี่ที่แท้จริงสุขก็สุขแบบหิวสุขแล้วก็อยากได้อีกแต่ถ้ามาเอาเงินมาทำบุญทำทานนี้จะได้ความสุขแบบอิ่มให้แล้วจะมีความอิ่มใจสุขใจจะทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ ไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ได้และเวลาที่เราไม่มีเงินทองเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปลิ้นลอนหาเงินหาทองมาใช้นี่คือประโยชน์จากการที่เราทําบุญทําทานเป็นการให้อาหารแก่จิตใจของพวกเราดีกว่าที่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เ่าเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดซื้อแล้วก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่เรียกว่าการให้อาหารกับใจก็คือการทําบุญทําทานข้อที่สองคือสิ่งที่เราต้องมีก็คือเครื่องนุ่งหง่มร่างกายของเราต้องการเครื่องนุ่งหง่มเวลาเราออกจากบ้านนี้เราต้องแต่งตัวให้หน้าดูเพราะเราไม่อยากจะให้คนอื่นเขา รังเกียดเราดูถูกเหลียดย้มเราเราก็เลยต้องหาซื้อเสื้อผ้าอภารรสวยๆงามๆ ม, มาสวมใส่แต่จะให้เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็ตามมันก็ยังไม่ได้เป็นความสวยที่แท้จริงเพราะถ้าความสวยที่แท้จริงนี่สวยที่ใจสวยที่เสื้อผ้าอภารรของใจเสื้อผ้าอภรรของใจคืออะไรก็คือศีลธรรมนี่เอง ศีลห้าอย่างที่พวกเรามาสมาทานกันนี้วันนี้ท่านกำลังมาซื้อเสื้อผ้าให้กับจิตใจให้สวมใส่เพราะคนที่มีศีลห้านี้จะเป็นคนน่ารักจะไม่มีใครรังเกียจไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีศีลห้าถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีศีลห้าแล้วจะไม่มีใครเขา อยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเรารู้ว่าคนที่เราเห็นว่าแต่งตัวอย่างสวยงามเป็นคนที่ฆ่าสัตว์เป็นคนที่ลักทรัพย์เป็นคนที่ประพฤติผิดประเวณีเป็นคนโกโหกหลอกลวงเป็นคนดื่มสุรายาเมาเราอยากจะคบกับเขาหรือไม่ถึงแม้ว่าเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าเาเรารู้ว่าเขาจะมาลักทรัพย์ของเราไปเขาจะมาโกโหกหลอกลวงเราเขาจะมาแย่งสามีแย่งภรรยาของเราไปเราอยากจะคบกับเขารู้ไหมนี่แหละคือความสวยงามที่แท้จริงเราต้องสวยงามด้วยเสื้อผ้าอภารรของใจก็คือการมีศีลห้าถ้าเรามีศีลห้านี่เราจะรักษาคุณสมบัติของมนุษย์ และของเทวดาไว้ได้เพราะผู้ที่จะมาเป็นมนุษย์ผู้ที่จะไปเป็นเทวดาไปเป็นพระาอาริยบุคคลไปเป็นพระพุทธเจ้านี้จำเป็นจะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลนี้ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนเราสังเกตดูสัตว์เดรัจฉานนี้เขามีศีลหรือไม่สุนับนี่เวลาเขาอยากจะหลับนอนกับใคร เขาถามก่อนเลยวเปล่าว่าเป็นสามีเป็นภรรยาของใครถ้าเขาอยู่ใกล้ตัวไหนเขาอยากจะร่วมหลับนอนด้วยเขาก็จะไปร่วมหลับนอนทันทีเขาไม่มีความเกรง อ, อกเก่งใจไม่มีความเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นถ้าเขาอยากจะนอนกับตัวไหนเขาก็นอนแล้วเขาอยากจะกินอะไรถ้าอยู่อะไรใกล้ปากเขาเขาก็คว้ามากินเลย ไม่เขาไม่สนใจว่าจะเป็นของไข่ของอาหารต่างๆเราจึงมากไม่วางวางไว้ในที่ปลอดภัยถ้าเราวางไว้ที่ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวสุนัขมันเห็นเข้ามันก็จะค้าบไปกินได้นี่คือคุณสมบัติของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้จะไม่มีศีลห้าจะฆ่าจะลักทรัพย์จะประพฤติผิดประเวณีดังนั้น ถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานไม่อยากไปเป็นเปรกไม่อยากไปตกนรกเราต้องรักษาศีลห้ากันไว้รักษาความสวยงามของความเป็นมนุษย์ของเทวดาและของพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีศีลเราจึงแลกเราจึงเคารพพระอริยะบุคคลพระอริยสงฆ์ต่างๆเราลักเราเคารพพระพุทธเจา้า เพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี้สวยงามทางจิตใจพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครพระพุทธเจ้าไม่เคยฆ่าใครพระพุทธเจ้าไม่เคยลักทรัพย์ของใครพระพุทธเจ้าไม่เคยประพฤติประผิดประเวณีนี่จึงทำให้พวกเรากราบพระพุทธเจ้าได้อย่างเสน่ห์ใจรักและเคารพพระพุทธเจ้าได้อย่างเสน่ห์ใจ เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีศีลนั่นเองถ้าพวกเราอยากจะมีเสื้อผ้าพรที่สวยงามที่จะทำให้ผู้เขารักแลวเราชอบเราขอให้เรามาหาเสื้อผ้าพรของจิตใจคือมารักษาศีลห้ากันเถิดแล้วรับรองได้ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีใครรังเกียจเรา ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเสื้อผ้าอภาร์สวยงามไว้สวมใส่ไม่ได้แต่งหน้าทาปากไม่ได้ทำผ้าทำผมแต่ความสวยงามของจิตใจนี้จะทำให้ดูแล้วไม่จืดไม่จางถึงแม้ว่าทางร่างกายจะไม่สวยงามอย่างพระภิกษุนี้ท่านก็ไม่ได้สวยงามทางร่างกายศาีรษะท่านก็โล้นไม่มีผม จีวรท่านก็ใส่สีเดียวกันหมดแต่ทำไมพวกเรารักและทอรบภ้าภิกษุกันก็เพราะว่าท่านมีสีนี่เองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเสื้ออภาพรไว้สวมใส่ให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีขอให้เรามารักษาสีหห้ากันให้ได้เถอะแล้วเราจะไม่มีใครรังเกียจเราจะมีแต่คนรักเรา นี่คือเสื้อผ้าอาภรณ์ของจิตใจส่วนที่อยู่อาศัยของใจที่เราเรียกว่าเรือนใจคืออะไรที่อยู่อาศัยที่ทําให้ใจของเรามีความสุขก็คือความสงบความสงบนี้เราเรียกว่าสมาธิใจของพวกเราตอนนี้ไม่ค่อยสงบกันใจของเรานักจะวุ่นวายกังวลวิตกเดือดร้อนก็เหมือนกับ คนที่ไม่มีบ้านอยู่เวลาออกไปนอกบ้านนี้จะต้องคอยวิตกกังวลกับภัยอันตรายต่างๆแต่ถ้าเวลาอยู่บ้านนี้จะรู้สึกสบายปลอดภัยร่างกายของเราต้องการที่หลบภัยคือบ้านที่อยู่อาศัยหลบภัยจากฝนฟ้าอากาศจากลมจากบุคคลที่ไม่ไม่ดี เราต้องมีบ้านอยู่กันเวลานอนเรามักจะไปนอนในทุบ้านเพราะในบ้านเป็นที่ปลอดภัยใจของเราจะปลอดภัยจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจจากความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆถ้าใจเข้าไปในสมาธิถ้าใจมีสมาธิเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบพอสงบแล้วความวุ่นวายใจต่างๆ ความเดือดร้อนต่างๆความวิตกหวาดกลัวต่างๆจะหายไปหมดเลยถ้าเรายังไม่มีเราก็ควรที่จะมาสร้างกันเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ยากเลยการสร้างเรือนใจสร้างความสงบของใจเราเพียงแต่หยุดความคิดให้ได้เท่านั้นเองอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเพราะเมื่อคิดแล้วก็จะคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่สบายใจ คิดไปแล้วก็วิตกังวลห่วงใยคิดถึงลูกก็ห่วงลูกคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาก็ห่วงสามีคิดถึงพ่อคุงแม่ก็ห่วงพ่อห่วงแม่คิดไปทำไมไปห่วงไปทำไมห่วงแล้วไปทำอะไรได้หรือเปล่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเราไปหยุดได้หรือเปล่าเวลาเขาจะไม่สบายเราไปหยุดเขาให้ไม่สบายได้หรือเปล่า เวลาเขาจะตายเราไปห้ามไม่ให้เขาตายได้หรือเปล่าคิดไปก็ทำให้กังวลไปเปล่าทุกไปเปล่ า, ลาถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่กังวลอย่างตอนนี้เราฟังเทศฟังธรรมกันเราเลยไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความกังวลความห่วงใยความหวาดกลัวต่างๆก็เลยไม่เกิดขึ้นมาดัางนั้นเราต้องมาหัดหยุดความคิดของเราให้ได้ วิธีที่จะหยุดความคิดนี้เราต้องใช้สติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้ถ้าไม่มีเบรกก็วิ่งแล้วก็จะไม่หยุดแต่ถ้ามีเบรกเวลาถึงสี่แยกไฟแดงเราก็เหยียบเบรกลถก็จะจอดไม่วิ่งต่อไปความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราไม่มีเบรกไม่มีสติเราจะหยุดความคิดของเราไม่ได้ ถ้าเราต้องการจะหยุดความคิดเราต้องติดเบรกกันถ้าตอนนี้ไม่มีสติเราก็ต้องมาสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจให้นึกถึงคาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือเวลาใจไปคิดแล้วเกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ก็ขอให้เราท่องพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวพอเราอยู่กับพุทธโธไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเลืมเรื่องที่ทำให้เราวิตกกังวล น, นี่คือวิธีสร้างเรือนใจให้กับเราให้เราอยู่กันอย่างปลอดภัยจากความวุ่นวายต่างๆที่เรียกว่าเรินใจก็คือการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิ ด้วยการเจริญสติพุธโธพุธโธไปเรื่อยเวลาโกรธใครก็อย่าไปคิดถึงคนที่เราโกรธให้คิดอยู่กับพุธโธพุธโธไปเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธเวลาเรากังวลก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากังวลให้อยู่กับพุธโธพุธโธไปแล้วเดี๋ยวความกังวลก็จะหายไปนี่คือการสร้างเรือนใจสร้างที่อยู่อาศัยให้กับใจ เวลามีเหตุการณ์วุ่นวายก็เข้าไปหลบในเรือนใจได้นี่คือที่อยู่อาศัยที่พวกเราควรที่จะมาสร้างกันให้แก่จิตใจด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธไปเวลาว่างไม่ต้องทําอะไรแทนที่จะไปดูทีวีดูหนังเราก็มานั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปจะได้ความสุขมากกว่าการดูหนังดูทีวี และสิ่งสุดท้ายที่เราต้องมีให้แก่จิตใจของเราก็คื อ, อยารักษาโรคร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยต้องใช้ยารักษาโรคใจก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเวลาที่ใจเราทุกข์ทรมานอย่างตอนนี้เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปถ้าเราไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจ เราก็ต้องหายามารับประทานยาที่จะมารักษาใจนี่เราเรียกว่าธรรมโอสกก็คือคมสอนของพระพุทธเจ้าคาสอนที่จะทำให้ใจของเราหายทุกข์หายโศกหายเศร้าโศกเสียใจธรรมของพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าคือความจริงความจริงที่เกี่ยวกับร่างกายของพวกเรา ดนร่างกายของทุกๆคนว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายแต่ได้ถ้าเราเอามาสอนใจคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายของพวกเราทุกคนจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆใจเราจะไม่ลืม แลวใจของเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายพอถึงเวลาที่เราพบกับความแก่ความเจ็บความตายใจของเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจรู้ใจก็จะเฉยเฉยถ้าใจไม่รู้ใจก็จะตกใจ จะหวาดกลัวจะเศร้าโศกเสียใจดังนั้นเราต้องหมั่นกินยานี้บ่อยๆเตือนใจอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาน้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายลวงพ้นการพัดภาคจากการไปไม่ได้ถ้าเรารู้ว่า ต้องเกิดแล้วเราทำใจทาใจดีสู้เสือเสือมันไม่กัดเราหรอกเสือมันกัดร่างกายแต่มันไม่กัดใจเพราะใจไม่มีรูปร่างให้เสือมันกัดใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนถ้าเราปรงเราวางร่างกายได้เราต้องปรงเราต้องวางร่างกายอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทำให้เราทุกข์ทรมานใจกันถ้าเรายอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและมันไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราคือใจขอให้เรารักษาใจของเราด้วยยาของพระพุทธเจ้าคือธรรมโอสถคือต้องยอมรับความจริงของร่างกายแล้วก็ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยเวลาที่มีใครตายจากเราไปหรือเวลาที่ร่างกายของเราจะต้องตายจากเราไปใจของเราจะเป็นปกติเหมือนที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้จะไม่เดือดร้อนเลยนี่คือธรรมโอสดยาที่จะมารักษาโรคใจก็คือความจริง ขอให้เราพยายามกินอยู่บ่อยๆเพื่อเราจะได้มีภูมิคุ้มกันเวลาที่เราจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของผู้อื่นใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่เศร้าโศกเสียใจนี่คือปัจจัยสี่ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันด้วยการทำบุญทำบุญทาทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิด้วยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงความเป็นจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเมื่อเรามีบุญทั้งสีประการนี้แล้วจิตใจของเราก็จะอยู่สุขสบายเหมือนกับร่างกายของเราที่ตอนนี้อยู่กันอย่างสุขสบายเพราะมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์นั่นเอง จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนเครื่องนุ่งห่มเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนยารักษาโรคให้พวกเรานำเอาไปพิจิจพิจารณาและปฏิบัติ <c oughs> เพื่อความสุขความสบายใจที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา